เมื่อนเนี่ยเป็นวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2556พระ39รูปพระในวัดของเอานะลงมาชัน35งดชัน4นาค4เมื่อเนี่ยจะได้บวชนาคบวชนาคพระหนึ่งนาคเน่นหนึ่งเหมือนาชันจังหันเซิดแล้วก็อุปชา ผู้ ก, ก่อกคงจะลงมามานางอุปชาแล้วก็คงจะมีการบวชประมาณสัก30นาทีก็ น, นาจะแล้วใส่เวลาบนน้านนอกบวชสององค์เมื่อวานหลวงพ่อขอบโยูเนี่ยชั้นทางนอกฉันจุอุดรเมื่ออื่นก็นสิบโยูเอกเนี่ย เบื่อเบื่อฉันถังฮันแล้วก็จะฟาวออกอีกจักแมยังตอมเมยังช่วงเนี่ยแต่ไม่จริงหลวงพอเถ่าแกแระนาจะได้พักพรเท่าถ้าได้แห้งเขาแห้งใส่แห้งขลังไปนาเชื่อกันกับพระพุทธรูปอายุหลายปีงั้นน่ะกันพระพุทธรูปสร้างหม้นี่กิบ่ค่อยขังปันใดกันอายุเป็นตั้งแต่อูท่องบ่ กรุงศรีอยุธยาเป็นพระขเมนมาตั้งแต่ดึกดำบนนณอายุยืนเทไดอายุยาวเทไรวางแขังประพุทธรลกอันใดขึ้กันพระอยุแกทเทไเวาแห้งใสจนหาเวลาบผักพรบไร่ไหนการบอกไปขจักจังใดคนหูจักกันไปมาหาสู่กัน พูดทันยังไปได้ได้มาของก็หน่อยของกผมไปยังไปพอได้ลากไปไทยมากยังไงค น, น, นทช่ชุดก็ออเออไปก็ไปสรุปเราก็ไปก็เป็นที่พ่อใจเป็นที่สบายใจม่อนคู่บายจานมาในงานที่งานที่เป็นที่หูจัก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 ผากาสาวพัดเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายถือว่าได้บวชในพระพุทธศาสนาคือพืชทรงผากาสาวพัดคือผาของพระอริยะผู้มดยศจากกิเลสผานี่แต่ว่าผู้ทรงผู้ทรงเท่านั้นบัดที่มดยศจากกิเลสตามผาบ่บางโคต็ใส่ผากาสาวพัดเฮ็ดไปในทั้งซัว ทำไปในทา้งสัวคิดไปในทั้งสัวเอาผ่ากาสะวพัดผ่ากาสะวพัดหุ่มเจาะ้องเหลือเฮ็ดไปในทา้งทีบ อ, ถ, อถูกต้องตามถ้ำคําสอนเฮ็ดพอถูกต้องตามถ้ำวินัยเฮ็ดพอถูกต้องตามระยะประเพณีที่พ่อแม่กู้บายจานหรือว่า พระอาริยะสงสาบกเพิ่นภาพปฏิบัติมากอันนี้มันก็คยมีคือกันพระพุทธเจ้าพนัาพนว่าพันวาผูถีผ่าข้องผ่ากาสาวัตเหตความสัวคือแอบอ้างเอาผ่ากาสาวัตมาคุ่มเจ้าของก็่เหตความซัวก็ ค, คยมีมาแล้ว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 ลำเลี่ยงกลับเมื่อขายวันเราก็ไปนั่งอยู่มองอื้นอนเอสร้างหัวหนามัน ก, กระกาบตัวน้อง ก, กระกาบขันโมได้ว่บบเป็นสร้างง่ากระเบาเบีนเสียแต่มันบมมีสร้างงาแต่แเออเอาพ่อจะเอาจาแหล่เหนือมันแล้วก็เอาไปให้ลูกน้องกลับมาขายเอาเหนือมันขายเอาเหนือจ้าง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 พอตั้งความสงสัยเอสงสัยทิ่มันน่ายพ่านผมหรือว่าพระประเจกคมผ่าเหลืองมันพระประเจกแท้บอสั่นเลยสร้างว่าสร้างว่าก็มันพระประเจกแท้ก็พบเป็นยังอันนี้มันแม่นพระประเจกแท้บอสั่นเลยเนี่ยนะตั้งความสงสัยไวอะไรได้บ้านี้พ่อต่อมาเนี่ก็สร้างไงตัวนี้ก็ย่าง ลาลาละลั่งลาล่าละลั่งน้ำโกนมูน่ะไลูกนอง ก, กับพานไปมัดแหลมตัวเองก็กินย า, วาขวากีข้าวกีมากก็เห็นว่าพรเจเอกอยู่มองนั้นล่ะเพราะเห็น ก, ก่อนแล้วอะไรก็ยางมากเหตเบังสังเกตตัวนี้นไปพอสังเกตเห็นเท่า น, นั้นแหละเห็นจังหวะที่จะยิ่งได้เอาทะโนมากกั ยย่งเลยแล้วไปอพอยย่งเสร็จแล้วก็สร้างที่นี้ก็ถูกลูกทนู่ด้ก็แลนมาตะคบเลยตะคบเห็นผาพระปเจกก็กระเบนค้นธรรมดาสิก่กระเทิบไปมันแล้วเลยแล้วอันนี้มันผาทงชัยพระลหันบ่กล้าข่าล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าประทรบประสงรละลึกถึงคุณง่ามความดี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 ในขา่าวคูหมือคูเว้นอย่างที่พวกเข้าได้เห็นนะี่่นนาจะเกิดมันบกเกิดเพราะม่นนาบ้นนาจะมีมันก็มีพอเหตุตดเพราะว่าเข้ายุ่ในโลกเนะี่ยนันเป็นอย่งสี่ละตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนี้แต่กา้าขั่งพุทธการถ่าเข้าฟั่งมือก็ใช่ย่อยเมื่อใดในพระไตรปิฎกคนขาพอ่อขาแม่ก็มีขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอศาชาตศัตรู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 บอมันหน่อยแต่คนซัวก็ยังมีอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ว่ายุคใดสมัยใดบ่มีขั้งบ่มีพ่อปเจกบ่มีพ ร, รอร พ, รพุทธเจ้าบ่มีพ่อแม่คู่บาอาจารย์แนะนําสั่งสอนศีลธร ร, รมเจดียธรรมแล้วมันจะขนาดไหนโลกนี้นาคิดขึ้นกันเพราะนั้นพ่อพุทธเจ้าบนวายามากเกิดตีที่สุดพยายามทำคิดใจขอ ง, ง ต, นตนเองให้พ้นทุกข์ อนวัตตะสงสารนั่นแหละเลิดประเสริฐท้าว่เฮาจะเมาเวียนวายตายเกิดบอกว่ายุคนั้นสมัยนี้หรือว่ายุคต่อไปไายภาคนาก็จะต้องได้พบได้เจอได้เห็นกับจกของนั่นะเป็นอันดับแปลกอันหะ้นพวกเฮาประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทเน้อสรุปแล้วนะอารพอนอนุโมทนาหายพร